ทุกขะอทุตธาระหนึ่งเหตุโคจจกะหนึ่งเหตุทุกขะ144่สเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นฉนไหนกุศลลเหตุสอกุศลลเหตุสามอภยากตะเหตุสาอ โ, กกโรภกคุศลเหตุอโทสะกุศลเหตุเกิดขึ้นในกุศลทั้งสี่ภูมิอโมหกุศลลเหตุเกิดขึ้นในกุศลทั้งสี่ภูมิ เว้นจิตตุปปบาทที่เป็นญาณวิปยุตฝ่ายกามาวจรกุศลสีโลภะเกิดขึ้นในจิตตุปปบาทที่จารคตด้วยโลภะ8โทสะเกิดขึ้นในจิตตุปปบาทที่สารคตด้วยโทมนัสองโมหะเกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดอโลภะวิปากเหตุอโทสะวิปากเหตุเกิดขึ้นในวิบากทั้งสี่ภูมิเว้นอเหตุกะจิตตุปปบาท ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจร อ, อมโมหวิปากเหตุเกิดขึ้นในวิบากทั้งสี่ภูมิเว้นอเหตุุกจิตตุปปาบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรและจิตตุปปบาทที่เป็นญาณวิปยุตสี่อโลภกิริยาเหตุอโทสะกิริยาเหตุเกิดขึ้นในกิริยาทั้งสามภูมิเว้นอเหตุุกจิตตุปปบาทฝ่ายกามาวจรกิริยาอมโมหกิริยาเหตุ เกิดขึ้นในกิริยาทั้งสมภูมิเว้นอเหตุกะจิตตุปปาบาทฝ่ายกามาวาจรกิริยาและเว้นจิตตุปปาบาทที่เป็นญาณวิปยุตสี่สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุ1442สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นฉไนเว้นเหตุทั้งหมดแล้วกุศลในภูมิสอกุศลวิบากในภูมิสอัพยากะตะกิริยาในภูมิสาม รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุสองสเหตุทุกกะหนึ่งสสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นฉไนะอากุศลที่เหลือเว้นโมหะที่จรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่จรคตด้วยอุทธจจะแล้ว กุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่เว้นอเหตุุกะจิตตุปปาบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจร อ, อัพยากะตะกิริยาในภูมิสาเว้นอเหตุุกกะจิตตุปปาบาทฝ่ายกามาวจรกิริยาแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อวมีเหตุ1444สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นฉไ น, นโมหะที่สารคตด้วยวิจิกิจชา และโมหะที่สะระคตด้วยอุธทธจัตวิปัญจวิญญาณมโนธาตุสามเหตุกะมโนวิญญาณธาตุห้ารูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุสามเหตุสัมปยุตตะทุกกะ1445สหสภาวธรรมที่สัมปยุตได้เหตุเป็นไฉนะ อกุศลที่เหลือเว้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สหรคตด้วยอุทจักกุศลในภูมิทั้ง4วิบากในภูมิทั้ง4เว้นอเหตุุกจิตตุปปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวาจรอภพยากตกิริยาในภูมิ3เว้นอเหตุุกจิตตุปปาบาทฝ่ายกามาวาจรกิริยาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเหตุ 1446สภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุเป็นไฉนโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สรคตด้วยอุทธจักทวิปันจวิญญาณมโนธาตุสอเหตุกะมะโนวิญญาณธาตุหรูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากเหตุ 4. ีเหตุสเหตุตุกะทุกะ 1447. สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุเป็นฉไนะเหตุสองเหตุสเกิดขึ้นร่วมกันในสภาวธรรมใดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุและมีเหตุ 1448. สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นฉไนกะุศลในภูมิสี่ อกุศลวิบากในภูมิสี่เว้นอเหตุกัจิตุปปาบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจร อ, อัพยากะตะกริยาในภูมิสเว้นอเหตุุกัจิตุปปาบาทฝ่ายกามาวจรกริยาเว้นเหตุ ท, าา uka, ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจิตุปปบาทนี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุมีเหตุ หรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุหเหตุเหตุสัมปยุตตทุกกะ1 4 4 9สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเป็นฉไนเหตุสองเหตุสเกิดขึ้นร่วมกันในสภาวธรรมใดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุ1450สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นฉไน กุศลในภูมิสี่อกุศลวิบากในภูมิสี่เว้นเหตุุกะจิตุปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรอภยากะตะกิริยาในภูมิสามเว้นเหตุุกะจิตุปบาทฝ่ายกามาวจรกิริยาและเว้นเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจิตุปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่วิทยุตจากเหตุกล่าวไม่ได้ว่า เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุหรือสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ 6. นาเหตุสเหตุกะทุกกะ1451สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นฉไนกุศลในภูมิสอกุศลวิบากในภูมิสเว้นอเหตุตุกะจิตตุปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจร อ, อัพยากตกิริยาในภูมิสาม เวนอเหตุุกะจิตุประบาทฝ่ายกามาวาจรกิริยาและเว้นเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจิตุประบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ1 4ึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นฉไนทวิปัญจวิญ ญ, ญาณมโนธาตุสาอเหตุกะมโนวิญ ญ, ญาณธาตุหรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่าไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุกล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเหตุคโคจะชะกะจบ 2. จูรันตระทุกกะหนึ่งสัพปัญยทุกกะ1 4ึ่พันสีสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นฉไนะกุศลในภูมิสี อกุศลวิบากในภูมิ4อัพยากะตะกิริยาในภูมิสและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปัจจัยปรุงแต่ง1 4ึงสสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นฉนะนัยนิพพานสภาวธรรมนี้ชื่อว่าไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง 2. สังคตะทุกกะ145่้า สภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นฉไนะกุศลในภูมิสี่อกุศลวิบากในภูมิสี่อภยากตกิริยาในภูมิสาและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งหนึ่สห้าสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นฉไนะนิพพานสภาวธรรมนี้ชื่อว่าไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง สสนิทัศนะทุกกะ1457สภาวธรรมที่เห็นได้เป็นไนรูปายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นได้1458สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นไงจักขายตนะโพธายตนะกุศลในภูมิสี่อกุศลวิบากในภูมิสีอัพยากะตะกิริยาในภูมิสาม รูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้ 4. สัพติฆะทุกกะ1459สภาวธรรมที่กระทบได้เป็นฉไนจักขายาตนะโพตพาญตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากระทบได้1460 สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นชไหนกุศลในภูมิสี่อกุศลวิบากในภูมิสอัอพยากตกิริยาในภูมิสรูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้ 5. รูปีทุกกะ1461 สภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นฉนมหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นรูป1462สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นฉนัยกุศลในภูมิสอกุศลวิบากในภูมิอสอัพยากตกิริยาในภูมิสและนิพพาน ส, สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นรูป หโลกิยะทุกกะหน6 3สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นชไหนะกุศลในภูมิสาอากุศลวิบากในภูมิสาอัพยากตกิริยาในภูมิสาและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นโลกิยะหนึ่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นชไหนะมัคคี ที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกสามัญญผลสี่และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นโลกุตตะ7เกณจิบิญเญยยทุกกะสภาวธรรมทั้งหมดชื่อว่าจิตบางดวงรู้ได้จิตบางดวงรู้ไม่ได้จูรันตะทุกกะจบ 3. อาสวะโคจักะหนึ่งอาสวะทุกกะ 1465สภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นฉไนอาสวะ4คือ 1. กามาสวะ 2. องพวาสวะ 3. ทิฏฐาสวะ 4. อวิชชาสวะกามาสวะเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สหรคตด้วยโลภะ8ปดพวาสวะเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ4ี่ ทิฏฐาสะวะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐิสอวิชชาสะวะเกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอาสะวะ1466สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสะวะเป็นฉไนะอกุศลที่เหลือเว้นอาสะวะกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อภยากตะกิริยาในภูมิสาม รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอาสวะสองสาสวะทุกกะ 1,467 สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นฉไหนกุศลในภูมิสามอกุศลวิบากในภูมิสามอพยกะตะกิริยาในภูมิสามรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะ 1468สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไฉนะมัคซที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏุก์สามัญญผลซีและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 3. อาสวะสัมปยุตตทุ ก, กะ1469สภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยอาสวะเป็นไฉนะ จิตตุปาบาทที่สวรคตด้วยโทมนัตสองเว้นโมหเจตสิกที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้แล้วอกุศลที่เหลือเว้นโมหะที่สวรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ ด, ด้วยอาสวะหนึ่สภาวธรรมที่วิปยุทธจากอาสวะเป็นไน โมหะที่เกิดในจิตตุปปะบาทที่สหรคตด้วยโทมนั ส, สองโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาและโมหะที่สรคตด้วยอุทธัจจะกุดสนในภูมิสี่วิบากในภูมิสีอัยยากตกิริยาในภูมิสมรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอาสวะสี่อาสวะสาสวะทุกกะ 1,471 สภาวธรรมที่อาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นชไหนอาสวะเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหนึ่นสอสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นชไหนอกุศลที่เหลือเว้นอาสวะกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสาม อัพยากตากิริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะห้าอาสวะอาสวะสัมปยุตตทุกกะ 1,473 สภาวธรรมที่เป็นอาสะวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะเป็นไนะอาสะวะสองอาสะวะสเกิดขึ้นร่วมกันในสภาวธรรมใดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอาสะวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะหนึ่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะเป็นไนะ อกุศลที่เหลือเว้นอาสวะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่วิปยุทธจากอาสวะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะหรือสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ 6. อาสวะวิปยุทธะสาสวะทุกกะ หนึ่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสะวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสะวะเป็นไฉนโมหะเกิดขึ้นในจิตตุปปาฏิที่สารคดด้วยโทมนัต ส, สองโมหะที่สารคดด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สารคดด้วยอุทจะัะกุศลในภูมิสมวิบากในภูมิสาม อัยากตากิริยาในภูมิสและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุ์จากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 1,476 สภาวธรรมที่วิปยุ์จากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นฉนหนมักคีที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกสามัญญผลจีและนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะโคจตชก ะ, ะจบ 4. สัญโญชนะโคโจตชก ะ, ะ 1. สัญโญชนะทุกกะ 1,477 สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นฉไนสังโยชน์สิคือ 1. กามราคัสสังโยชน์สปฏิฆัสสังโยชน์สมมานะสังโยชน์ 4. ทิฏฐิสังโยชน์ 5. วิจิกิจฉาสังโยชน์ 6. สีลพตปรามาสสังโยชน์ 7. พวราคัสสังโยชน์ 8. อิจสาสังโยชน์เมัชริยสังโยชน์ สิอวิชชาสังโยชนกามราคัสสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สารคตด้วยโลภะแปฏิฆะสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุปปบาทที่สารคตด้วยโทมนัสองมานัสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุปปบาทที่สารคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิสทิฏฐิสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สัมประยุตด้วยทิฏฐิี วิจิกิจฉาสังโยชน์เก ja ิดข de ึ้นในจิตตุปปบาทที่สารคตด้วยวิจิกิจฉาหนึ่งสีลพตปรามาตยสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุปปบาทที่สัมบัติด้วยทิฏฐ4ภวะราคสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุปปบาทที่สารคตด้วยโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐ4อิจสาสังโยชน์และมัจริยาสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุปปบาทที่สารคตด้วยโทมนัสอง อวิชชาสังโยชน์เกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นตังโยชน์หนึ่งพันสสภาวธรรมที่ไม่เป็นตังโยชน์เป็นฉไหนอกุศลที่เหลือเว้นตังโยชน์กุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อัพยากะตะกิริยาในภูมิสามรูปทั้งหมดและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นสังโยชน์ สงสัญโยชนิยะทุกกะหนัสดสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไนกะุศลในภูมิสอกุศลวิบากในภูมิสาอัพยากตกิริยาในภูมิสาและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของสังโยชน์หนึ่ัสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไนะ มัคคีที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกข์สามัญญผลสี่และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สสัญโยชนะสัมปยุตตะทุกกะหนึ่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นโมหะที่สหรคตรด้วยอุทธจจะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยสังโยชน์ 1482สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยช์เป็นฉไนะโมหะที่สรารคตด้วยอุทจจักุุศลในภูมิสวิบากในภูมิสอัอยากะตะกิริยาในภูมิสรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากสังโยชน์ 4. สัญโยชนะสัญโยชนิยทุกกะ1483 สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไฉนสังโยชนเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ห4สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นไฉนอกุศลที่เหลือเว้นสังโยชน์กุศลในภูมิสาวิบากในภูมิสาัพยากตกิริยาในภูมิสาม รูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์หสัญโยชนะสัญโยชนะสัมปยุตตะทุกกะหนึ่งัสดสิบสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุตได้สังโยชน์เป็นฉน สังโยชน์สองสังโยชน์สเกิดร่วมกันในสภาวธรรมใดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสังโยชน์แต่สัมปยุตได้สังโยชน์หนึ่สภาวธรรมที่สัมปยุตได้สังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นฉไหนอกุศลที่เหลือเว้นสังโยชน์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตได้สังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์กล่าวไม่ได้ว่า เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์หรือสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ 6. สัญโยชนะวิปยุตตาสัญโยชนิยทุกกะ 1487. สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นนารมณ์ของสังโยชน์เป็นไฉนโมหะที่จะรคตด้วยอุทจะกขุสลในภูมิสาวิบากในภูมิสาม อภยากะตะกิริยาในภูมิสและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากสังโยชตแต่เป็นนอารมณ์ของสังโยตนึ่ง8ัสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชตและไม่เป็นนอารมณ์ของสังโยตเป็นฉไรมัคสที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกข์สามัญญผลสี่ และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยต์กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สัญโยชนะโคจัชกะจบ 5. คันทโคจัชะกะหคันทะทุกกะ 1.489 สภาวธรรมที่เป็นคันทะเป็นฉไนคะันทะ4คือ 1. อภิชากายคันทะ 2. พยาปาทกายคันทะ 3. สีลพตปรามาสกายคันทะ 4. อิทังสั จ, จาพินิเวสกายคันทะอภิชากายคันทะเกิดขึ้นในจิตตุปปะบาทที่สระคดวยโลพะแด พยาปาทกายคันทะเกิดขึ้นในจิตตุปาบาทที่สรคตด้วยโทมนัด ส, สองสีละพระตปารามาสกายคันทะและอีกทางสัจจะพินิเวสกายคันทะเกิดขึ้นในจิตตุปาบาทที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยทิฏฐีสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นคันทะ1490สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นฉนอกุศลที่เหลือเว้นคันทะ กุศลในภูมิสวิบากในภูมิสี่อภยากตกิริยาในภูมิสรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นคันทะ 2. คันธานิยทุ ก, กะสเก้าสิบสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะเป็นฉนะไหนกุศลในภูมิสาอกุศลวิบากในภูมิสามอภยากตกิริยาในภูมิสาม และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของคันทะ1492สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะเป็นฉนมัคคีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์สามัญญผลสี่และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของคันทะ 3. าคันทะสัมปยุตตทุกกะ 1,493 สภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยคันทะเป็นฉไนจิตตุประบาทที่สัมปยุต ด, ด้วยทิฏฐีและจิตตุประบาทที่สารคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐีเว้นโลภะที่เกิดขึ้นในจิตตุประบาทนี้จิตตุปบาทที่สารคตด้วยโทมนัตสองเว้นปฏิฆะ ที่เกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยคันทะ1494สภาวธรรมที่วิปยุทธจากคันทะเป็นฉนโลภะเกิดขึ้นในจิตตุปปบาทที่สารคตด้วยโลภะวิปยุทธจากทิฏฐิสปฏิฆะเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สารคตด้วยโทมนัสองจิตตุปปาบาทที่สารคตด้วยวิจิกิจฉา จิตุประบาทที่สารคตด้วยอุทจักกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสอัพยากตกิริยาในภูมิสารูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากคันทะสี่คันทะคันท ะ, น, ะนิยทุ ก, กะหนึ่งพันสกสภาวธรรมที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะเป็นฉนะ คันทะเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะ1496สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเป็นชไหนอกุศลที่เหลือเว้นคันทะกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามอัพญญากตกิริยาในภูมิสามรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะหรือเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะ 5. คันธะคันธะสัมปยุตตะทุกกะ1497ันสสภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเป็นฉไนทิฐิและโลภะเกิดขึ้นร่วมกันในสภาวธรรมเหล่าใด สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะ1498สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเป็นฉไนจิตตุปปบาทที่สารคตด้วยโลภะแจิตตุปปบาทที่สารคตด้วยโทมนัทสองเว้นคันทะที่เกิดขึ้นในจิตตุปปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะ สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันทะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุตยด้วยคันทะหรือสัมปยุตยด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะ 6. กคันทะวิปยุตตะคันทะนิยทุกกะ149บสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันทะแต่เป็นนารมณ์ของคันทะเป็นฉไนโลภะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สารคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐี 4. ปฏิ้าเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโทมนัตสองจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยอุทธัจะกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามอัพยากะตะกิริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะ 1,500 าสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันทะและไม่เป็นนารมณ์ของคันทะเป็นฉไนมัคซที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกขสามัญญาผลสี่และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากคันทะและไม่เป็นนารมณ์ของคันทะสภาวธรรมที่สัมยุย์ด้วยคันท ะ, ท ะ, นทะกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากคันทะแต่เป็นนารมณ์ของคันทะ หรือวิปยุตจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะคันทะโคโจัชะกะจบหโอคะโคโจัชะกะหโอคัทุกกะ15ึ่อสภาวะธรรมที่เป็นโคะเป็นฉไนะ 7. โยคะโคโจัชะกะหโยคัทุกกะ1 5ึ่สสภาวะธรรมที่เป็นโยคะเป็นฉนะ 8. นีวรณะโคจัตชะกะ 1. นีวรณะทุกกะ 1,503. สภาวธรรมที่เป็นนิวรนเป็นฉไนะนิวรนหคือ 1. กามฉันทานิวรน 2. พยาปาทานิวรนสถีนมิทานิวรน 4. อุทธจักกุกุจจานิวรน 5. วิจิกิจฉานิวรน 6. อวิชานิวรน กามฉัทนทานิวนนนรณ์เกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สารคตด้วยโลภะ8พยาปาทนิวรณ์เกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สารคตด้วยโทมนัสองทีนมิทานิวรณ์เกิดขึ้นในอกุศลที่เป็นสสังขาริกอุทธจัณิวรณ์เกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สารคตด้วยอุทธจักุกุจจนิวรณ์เกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สารคตด้วยโทมนัทสองวิจิกิจฉานิวรณ์ เกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สัรคตด้วยวิจิกิจฉาอาวิชฌานิวร์เกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นนิวร์หนึ่พันห้ารสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวร์เป็นฉไนะอกุศลที่เหลือเว้นนิวร์กุศลในภูมิสวิบากในภูมิสอัพยากะตะกิริยาในภูมิสารูปและนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นนิวรณสองนิวรณียะทุกกะ1505สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นฉไนกุศลในภูมิสมอกุศลวิบากในภูมิสามอัพยากตากิริยาในภูมิสาและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ 1,506 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรเป็นฉนะัยมัคสที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกสามัญญผลสีและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์สานิวรณะสัมปยุตตทุกกะ 1,507 ั150 7, สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณเป็นฉนะัยจิตตุประบาด ท, ที่เป็นอกุศลสิบสอง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์หนพันห้ารสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์เป็นฉไนกุศลในภูมิสวิบากในภูมิสี่อภยากะตะกิริยาในภูมิสรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุทธ์จากนิวรณ์ 9. นิวรณะนิวรณียทุกกะ 159สภาวธรรมที่เป็นนิวรและเป็นอารมของนิวรเป็นฉไนะนิวรเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นนิวรและเป็นอารมของนิวรนึ่งพนสภาวธรรมที่เป็นนารมของนิวรแต่ไม่เป็นนิวรเป็นฉไนะอกุศลที่เหลือเว้นนิวรกุศลในภูมิสมวิบากในภูมิสาอัพยากตกิริยาในภูมิสาและรูปทั้งหมด สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์นิวรณะนิวรณะสัมปยุตตทุกกะ1511ัสบสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นฉไหนนิวรณ์สอง นิวรณ์สเกสสสิดขึ้นร่วมกันในสภาวธรรมเหล่าใดสภาวธรรมเหล่านี قط, ้ชื er ่อว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุท like ธ์ด้วยนิวร์หนึ่พันห้ารสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นฉไนอกุตลที่เหลือเว้นนิวรณ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์สภาวธรรมที่วิปทยุทธจากนิวรณ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ หรือสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ 6. นิวรณวิปยุตตนิวรณียะทุกกะ 1,513 สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นฉไนะกุศลในภูมิสมวิบากในภูมิสามอพยากะตะกิริยาในภูมิสาม และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หนพันห้ารสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของ น, นิวรณ์เป็นฉนมัค4ที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกสามัญญผลสีและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธ์จากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปยุทธ์จากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์นิวรณโคจักะจบ